จึงมีเวลาสำหรับการเรียนมากขึ้นสมัยเมื่ออยู่กับยายต้องตื่นก่อนสี่นาฬิกาเพื่อหับผักและผละไม้ไปขายยังตลาดบางขวามตอนบ่ายไปเรีย น, นดนตรีไทยก็ต้องตักน้ำแลกวิชาครั้งละไม่ต่ำกว่ายสิบหาบบัดนี้เขาสุขสบายขึ้นหากยังคงตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วจากนั้นก็ช่วยคุณสายใจทำอาหารโดยมีแม่วาดและพวกสาวๆเป็นลูกมือส่วนคุณประพศกับลูกสาวคุณสายจิตไม่มีใครย่างกรายเข้ามาในครัวเลยเพราะถูกเลี้ยงมาแบบลูกเจ้าขุนมูนนายพ้นการสอบเป็นยังไงบ้างลูก คุณสายใจถามหลานชายขณะช่วยกันเตรียมอาหารมื้อเช้าผ่านครับคุณป้าผมสอบได้ตั้งเจ็ดสิเปอร์เซ็น์ไม่เคยได้คะแนนมากเท่านี้มาก่อนเลยครับแล้วเพื่อนๆของพ่อเจริญละ่ะคนที่อยู่วัดสเกตนะ่ะคุณกันเชียงเหรอครับเขาได้ห0สิเปอร์เซ็นตตอนเรียนอยู่บ้านนอกเขาสอบตกเป็นประจำคงไม่จำเป็นต้องย้ำว่า ตัวเขาก็ตกซ้ำชั้นอยู่บ่อยๆแสดงว่าเขาก็เรียนดีขึ้นครับแต่พูดก็พูดเถอะเจ้าเพื่อนผมคนเนี้ยเขาซื่อจนเซอ้อเลยครับคุณป้าสมัยเมื่อเรียนชั้นประถมด้วยกันครูเขาสอนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกเราก็ลอกจากกระดานลงสมุดครูเขียนบนกระดานดำว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นช้างม้าวัวควายเป็นต้นพวกเราก็ลอกตามถึงเวลาสอบครูออกข้อสอบชนิดให้เติมลงในช่องว่างข้อสอบออกมาว่าช้างม้าวัวควายเป็นถ้าคุณป้าเป็นนักเรียนคุณป้าจะเติมอะไรลงไปครับหลานชายถามเติมสัตว์มีกระดูกสันหลังนะสิครับ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 ช้างม้าวัวควายเป็นต้นคราวนี้คุณใจใจหัวเราะเพราะขำผมก็บอกเขาตอบผิดเขาก็เถียงแล้วก็นําสมุดที่จดมาเปิดให้ดูบอกนี่ไงนี่ไงสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นช้างม้าวัวควายเป็นต้นผมพยายามอธิบายเขาก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่แบงอยู่นั้นแล้วว่าของเขาถูก ในที่สุดก็เลยต้องไปให้ครูที่สอนเป็นผู้ตัดสินแล้วครูก็ตัดสินว่ายังไงละ่ะครูบอกว่าตอบอย่างเธอนนะคนตอบแต่ตอบอย่างเด็กชายกันเชียงนะ่ะควายตอบครูพูดอย่างนี้ครับแหมครูของพ่อเจริญช่างตอบได้ถึงใจจริงๆแล้วเพื่อนว่ายังไงบ้างละ่ะ คุณสายใจซักอย่างรู้สึกสนุกโกรธหัวฟัดหัวเวียงเลยครับเขาบอกอุตสาห์ตอบตามที่ครูสอนยังมาหาว่าเขาเป็นควายล้านชายพูดชดๆดจุดมุ่งหมายคือให้พี่สาวของบิดาคลายทุกข์แม่วาดและพวกสาวๆช่วยกันยกอาหารออกมาตั้งโต๊ะหนุ่มน้อยจึงกระซิบถามผู้เป็นป้า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 อย่าหาว่าผมสอนเลยนะครับผมอยากเห็นคุณป้ามีความสุขจึงอยากจะพูดตรงๆว่าคนเราบางครั้งต้องทุกข์กระทมเพราะทิฏฐิของตัวเองถ้าเราลดทิฏฐิลงบ้างความทุกข์ก็จะลดน้อยลงดูอย่างคุณย่าสิครับท่านมีความสุขเพราะไม่เป็นเจ้าทิฏฐิขอให้เชื่อผมสักครั้ง จะ้ะป้าขอบใจแล้วก็จะพยายามทำให้ได้พอจเจริญต้องคอยเตือนสติป้าด้วยนะครับผมล้านชายรับคำหนักแน่นพอดีกับแม่วาดเดินเข้ามาคุณสายใจใช้หลังมือปาดน้ำตาด้วยไม่ต้องการให้แม่บ้านรู้ว่าตนร้องไห้คุณป้าครับ เย็นนี้ผมจะแสดงฝีมือตำน้ำพลิกปลาร้านะครับเชิญเลยจ้ะ ก, กำลังนึกอยู่เหมือนกันครั้งแรกที่พ่อจเจริญทําให้ทานป้ายัางติดใจไม่หายว่าจะบอกให้ทําอีกก็ลืมเสียได้เป็นอันว่าป้าต้องเตรียมเครื่องไว้ให้พร้อมกลับจากโรงเรียนค่อยมาว่ากันเอาละไปล้างมือล้างไม้เตรียมรับประทานอาหารกันได้แล้ว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 เพราะอีฉันเห็นคุณประพน์เธอช่วยกวดวิชาให้ตั้งแต่มีคุณเจริญมาอยู่ด้วยคุณประพน์เธอดูมีความสุขขึ้นมากคุณสายใจสังเกตไหมเจ้าคะ่ะสังเกตอยู่เหมือนกันและตัวฉันเองก็รู้สึกว่าความทุกข์มันลดน้อยลงคงเป็นบุญของฉันกับลูกนะแม่วาดเจ้าคะ่ะ แล้วก็เป็นบุญของคุณเจริญด้วยที่ทุกคนในบ้านรักแล้วก็เมตตาเธอเอาละประเดี๋ยวแม่ ว, วาดจัดการล้างข้าวของเก็บได้แล้วฉันจะไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่และพวกเด็กๆ เ, เชิญจชาค่ะทางนี้เดี๋ยวอีฉันจัดการเอง รับประทานอาหารเช้าแล้วพวกเด็กๆ ก, ก็พากันไปโรงเรียนโดยมีนายรมขับเรือไปส่งคุณสายใจเข้าห้องพระสวดมนต์ปกติเธอจะสวดมนต์เฉพาะตอนก่อนนอนวันใดง่วงมากก็ล่าเลยเสียครั้นเมื่อหลานชายแนะนำเธอก็หันมาสวดมนต์วันละสองเวลาแล้วก็รู้สึกด้วยตนเองว่าจิตใจสงบเบยือกเย็นขึ้นกว่าแต่ก่อน วันโกนวันพระพวกเด็กๆไม่ต้องไปโรงเรียนบ้านสามกระไดดูคึกคักกว่าทุกวันเพราะพวกเด็กรุ่นหนุ่มสาวทั้งเจ็ดพากันลงมาเล่นน้ำในคลองบ้างเข้าไปเล่นซ่อนหากันในสวนผลไม้บ้างบางครั้งก็ส่งเสียงทะเลาะเบาแววงกันตามระษาโดยเฉพาะคุณประพ์กับคู่แฝดนั้นดูจะไม่กินเส้นกันเสนเลย ทั้งที่ใจจริงยังรักกันฉันพี่น้องคุณสายใจจะเพลิดเพลินกับการเตรียมอาหารเลี้ยงคนในบ้านพยายามหาอาหารรส แ, แปลกให้พวกเขาไม่เคยรับประทานมาก่อนหลวงทารากับคุณหญิงห่วงมีความสุขกับการได้เฝ้าดูความเจริญเติบโตของหลานๆจะทุก์อยู่บ้านก็เรื่องของบุตรสาวคนโตถูกสามีทอดทิ้ง เพราะไปติดใจหลงไหลผู้หญิงคนใหม่กระนั้นคุณหลวงกับคุณหญิงก็ไม่ได้คิดลงโทษหรือว่ากโกรธเคืองบุรเขยเพราะว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนที่ยอมผิดพลาดหลงทางกันได้วันใดที่เกิดความสำลึกผิดชอบชั่วดีมา<ๆ>เขาก็คงจะกลับมางอนง้อขอคืนดีกับบุตรสาวของท่านเองและเมื่อนั้น ครอบครัวของคุณประพ์ก็จะได้มีความสุขพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกันเสียทีลังอาหารกลางวันคุณประพ์กับสาวๆทั้งห้าแยกย้ายกันเข้าห้องไปพักผ่อนหลับนอนเพื่อจะตื่นขึ้นมาสนุกสนานกันอีกคุณเจริญซึ่งถูกคุณยายสอนไม่ให้นอนกลางวันจึงถือโอกาสเข้าไปหาคุณหลวงเพื่อสนทนาเรื่องนดนตรีไทย หลวงทาราพาหลานชายเข้าไปยังห้องกว้างอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นห้องที่ท่านเก็บเครื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะนุ่มน้อยเห็นเครื่องดนตรีเหล่านั้นก็ตาโตอุทานว่าโอ้โหคุณปู่มีครบเครื่องเลยผมคิดว่ามีตาระนาดซิอีกแบบนี้ตั้งวงได้เลยนะครับเมื่อก่อนก็เคยตั้งวงเล่นกัน แต่ตอนนี้คนเล่นพากาันล้มหายตายจากไปเกือบหมดมีแต่ปู่คนเดียวมั้งที่มีอายุยืนกว่าเพื่อนเครื่องดนตรีปู่มีครบทุกอย่างทั้งเครื่องดีดซีตีเป่าพ่อจเจริญมีความรู้เรื่องดนตรีไทยหรือเปล่าเคยเรียนมาบ้างไหมไม่เคยครับครูสมใจสอนผมตีระนาดส่วนพวกสีซอตีขิมดีดจะเข้ ผมหัดเองพอเล่นได้ครับแต่ไม่ถนัดเท่าตีระนาดเอาล่ะไหนๆปู่ก็จะยกเครื่องดนตรีเหล่านี้ให้เป็นมรดกของพ่อเจริญแล้วจึงควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทยเอาไว้บ้างอยากรู้หรือเปล่าถ้าไม่อยากรู้ปู่ก็ไม่ซ้อนประเดจะหาว่าปู่บังคับขู่เข็นอยากครับ คุณปู่กรุณาสอนผมด้วยเถอะครับล้านชายอ้อนวอนถ้าเช่นนั้นก็เริ่มกันที่วงดนตรีไทยเสยก่อนไหนตอบปู่มาสิว่าวงดนตรีไทยที่ถือเป็นแบบแผนบรรเลงกันอยู่ในปัจจุบันมีกี่ชนิดสามชนิดครับตอบอย่างไม่ลังเลทั้งที่ไม่แน่ใจว่าจะถูกอ้าวก็ไหนว่าไม่มีความรู้ และทำไมตอบถูกล่ะผมเพียงแต่เดาถูกเท่านั้นเองครับหนุ่มน้อยสารภาพถ้าเช่นนั้นลองเดาต่อสิว่าวงดนตรีไทยสามชนิดที่ว่านั้นน่ะมีอะไรบ้างไม่ทราบครับแต่ถ้าเดาผมคิดว่าต้องมีวงปีพาดอยู่ด้วยใช่ไหมครับคุณปูถูกแล้ว มีวงปีพา์วงเครื่องซ้ายแล้วก็วงมโหรีทั้งสามชนิดนี้เขาก็ยังแยกย่อยออกไปอีกเช่นวงปีพาทยังแบ่งออกเป็นสามขนาดตามปริมาณของเครื่องผสมที่อยู่ในวงได้แก่ปีพาดเครื่องห้าปีพาดเครื่องคู่และปีพาดเครื่องใหญ่ที่ปูมีอยู่เนี่ยเป็นปีพาดเครื่องคู่ ประกอบด้วยเครื่องบันเลนเจ็ชนิดได้แก่ปีนอกปีในระนาดเอกระนาดทุม้มคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กและมงและปีพาดดึกดำบรรไม่นับรวมด้วยหร่อครับไม่นับคือว่าปีพาทที่เป็นหลักของไทยมีอยู่สามขนาดที่กล่าวมาเท่านั้นส่วนปีพาดดึกดำบรรเป็นวงปีพาดที่สมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์กับหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรทรงคิดผสมขึ้นใหม่สำหรับใช้ประกอบแสดงละครดึกดำบันโดยทรงเลือกใช้แต่เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลจึงเป็นวงปีพาดที่มีความไพเราะน่าฟังเหมาะสำหรับการแสดงละครและได้รับการขนานนามว่า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 เจ็ดอย่างได้แก่ซออู้ซอด้วงจะเข้์ครุยเพียง อ, อโทน ร, รมานาและก็ฉิงส่วนเครื่องสายเครื่องคู่ใช้เครื่องรดนตรีอย่างเดียวกับเครื่องสายวงเล็กเพียงแต่เพิ่มซออู้ซอด้วงจะเข้เข้าไปให้เป็นอย่างละสองและคลุยก็ต้องเพิ่มต้องเป็นคลุยหลิบซึ่ง มีขนาดเล็กกว่าแต่ว่าเสียงสูงเสียงสูงกว่าครุยเพียงอแล้ววงมโหรีมีกี่ขนาดครับปู่ให้พ่อจเจริญดาวอีกก็แล้วกันสามขนาดใช่ไหมครับถูกต้องวงมโหรีเป็นวงดนตรีไทยที่ผสมระหว่างปีพาดกับวงเครื่องสายโดยย่อขนาดเครื่องดนตรีของวงปีพาดให้เล็กลง เพิ่มเสียงให้แหลมเล็กขึ้นเพื่อให้กลมกลืนกับต้นเสียงวงเครื่องสายและตัดเครื่องดนตรีบางอย่างในวงปีพาธที่ทำหน้าที่ซ้ำกันกับของวงเครื่องสายออกเพิ่มเครื่องดนตรีที่ไม่มีในวงปีพาธและวงเครื่องสายก็คือซอสามสายเข้ามาวงมหโหรีมีสามขนาดคือมหโหรีวงเล็กมหโหรีเครื่องคู่ และหรีเครื่องใหญ่ที่ปู่มีเป็นวงเล็กมีเครื่องดนตรีกี่ชนิดครับก็มีอยู่สิชนิดถ้าเครื่องคู่มีสิบ้าและเครื่องใหญ่มีสิบเจ็ดนั่นไงอยู่ในตู้นั่นนายลองบอกปู่มาสิว่ามีอะไรบ้างนุมน้อยเดินเข้าไปใกล้ตู้ไม้ขัดเงามันปราบที่ใช้ใส่เครื่องดนตรีประเภทวงมโหรี แล้วก็จะรณนายให้คุณหลวงฟังว่ามีซอด้วงซออู้ซอสามสายจะเขทครุยเพียง อ, อชิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหผมนับได้แค่หเองครับอีกสี่ชนิดไม่ทราบอยู่ที่ไหนนั่นไงวางอยู่บนพื้นที่มีผ้ากำมะหยีค่คลุมอยู่นั่นสี่ชนิดที่เหลือก็ได้แก่ระนาดเอก ร้องกลางโทนและ ร, รมนาผมอยากเล่นเป็นทุกชนิดเลยคุณปู่กรุณาสอนผมได้ไหมครับหนุ่มน้อยถามอย่างสนใจปู่แกเกินไปแล้วมือไม้มันเริ่มจะสันส่น จึงเล่นได้ไม่ไพเราะเหมือนเมื่อก่อนแต่ไม่เป็นไรถ้าพ่ะเจริญ อ, อยากเรียนจริงๆปู่จะส่งไปเรียนกับครูจำนงเขาสอนได้ทุกอย่างโดยเฉพาะรนาดอยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับก็ไกลเหมือนกันบ้านเขาอยู่ในสวนเข้าไปทางหลังวัดตโนดจะไปกันเย็นนี้เลยก็ได้ฟังผู้เป็นปู่พูดหนุมน้อยแสนจะดีใจรีบสนองว่า ดีครับผมอยากเรียนเร็ ว, รวขอพระคุณคุณปู่มากครับที่เมตตาผมถ้าเช่นนั้นผมจะไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยนะครับล้านชายติดจะใจร้อนยังไม่ต้องไปตอนนี้ก็ได้รอให้ตะวันคล้อยอีกนิดให้ปู่งีบเอาแรงสักหน่อยเพราะต้องเดินทางไกลบ้านเขาอยู่ลึกเข้าไปในสวนถ้าเช่นนั้น ขอเชิญคุณปู่ไปพักผ่อนเถอะครับส่วนผมจะเตรียมจัดดอกไม้ทูกเทียนเพื่อขึ้นครูดีจริงหลานปูน่นชจังรอบขอบดีแท้ให้แม่ส้ายใจกับแม่วาดเขาเย็บกรวยให้ก็ได้ผู้ชายคงไม่ถนัดเรื่องนี้กระมังไม่เป็นไรครับคุณยายสอนผมตั้งแต่เป็นเด็กเพราะที่บ้านมีเทศมหาชาติบ่อยและผมก็ช่วยคุณยายเย็บกรวยและก็บายสี จัดเทศมหาชาติที่บ้านเลยหรือคุณหลวงออกแปลกใจเพราะที่ฝั่งทนและที่บางกอกเขานิยมจัดกันที่วัดครับคุณโป่คุณยายนิมนพระมาเทศมหาชาติที่บ้านปีละสองหนครับแล้วก็ยังบังคับลูกหลานให้มานั่งฟังหลานคนไหนสุขสนยายก็จะผูกขาล่ามไว้กับเสาเป็นการบังคับใหฟังก็ดีนะ บังคับให้คนทำความดีนั้นไม่บาปกลับจะได้บุญสิอีกฟังฟังดูแล้วปู่ว่าคุณยายของพ่อเจริญคงจะเป็นคนมีวาสนาบารมีไม่น้อยทีเดียวครับผมก็คิดอย่างนั้นคุณยายไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยแล้วก็ไปถืออุโบสถทศีนทุกวันพระนอนค้างที่วัดด้วยเพิ่งจะมาหยุด ไปก็ตอนช่วงที่อายุมากผมหมายถึงหยุดไปค้างที่วัดนะครับแต่คุณยายยังคงไปทำบุญทุกวันพระเช่นที่เคยทำตอนเช้าผมก็เป็นคนหาของไปส่งท่านที่วัดตกเย็นก็ไปรับกลับดีจริงในเมื่อพ่อจเจริญมาเรียนที่บางกอกเสียแล้วใครจะทำหน้าที่แทนละ่ะพี่สาวผมครับชื่อจําแลง แต่ผมก็ยังห่วงอยู่เหมือนกันว่าเขาจะปรนิบัติคุณยายได้ดีเท่าผมหรือเปล่าหนุ่มน้อยอยังกังวลอย่าได้ห่วงไปเลยปู่ว่าเขาอาจจะทําได้ดีกว่าพ่อเจริญซสยอีกผู้หญิงหน้าเขารอบคอบกว่าผู้ชายเอแต่ก็ไม่แน่เสมอไปหรอกนะดูอย่างลูกสาวแม่สายจิตนั่นปะไรไม่เห็นได้เรื่องสักคน การบ้านการเรือนก็ไม่เอาทานแต่ปู่ก็ไม่โทษเขาหรอกเพราะมันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูปู่เลี้ยงเขาแบบลูกเจ้าขุนมูลนายก็เลยทำอะไรไม่เป็นกันคิดว่าก่อนออกเย่าออกเรือนก็คงต้องจักมาอบรมกันเป็นการใหญ่มิฉะนั้นฝ่ายชายเขาจะตำหนิเอาได้ผู้หญิงจะต้องเก่งเรื่องการบ้านการเรือน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 ก็ดูเรียบร้อยดีและที่แต่งงานออกเรือนไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับหนุ่มน้อยเล่าเรื่องราวของพวกพี่ๆให้หลวงทาราฟังพ่อจเจริญมีพี่ ก, กี่คนนะปู่ชักจะลืมๆเก้าคนครับผมเป็นคนที่สิบและก็เป็นลูกชายคนเดียวแต่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณยายไปขอมาเลี้ยงตั้งแต่ผมอายุได้หกขวบ นับว่าโชคดีแล้วที่ได้มาอยู่กับคุณยายมิฉะนั้นพ่อจเจริญอาจจะไม่เด็ดเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะพวกเพื่อนๆผมที่มีแต่พี่สาวมักจะกลายเป็นกระเทยนั่นสิแรกๆปู่ก็ห่วงพ่อประพจน์เขาอยู่เหมือนกันเพราะอยู่แต่กับผู้หญิงและตัวเขาเองก็ไม่มีพ่อ นับเป็นบุญของเขาที่ยังครองตัวเป็นบุรุษเพศอยู่ได้ปู่ว่าอะไรอะไรก็หนีไม่พ้นเรื่องกรรมหรอกนะพ่อประจน์เขาไม่มีกรรมที่จะต้องเป็นกระเทยเขาก็ไม่เป็นพ่อจเจริญก็เถอะหากมีกรรมก็ต้องเป็นต่อให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ผู้ชายล้วนๆก็ต้องเป็นจนได้ที่ปู่พูดมาเนี่ยถูกต้องไหม ถูกต้องที่สุดเลยครับนุ่มน้อยพูดเพื่อเอาใจผู้เป็นปู่สียมากกว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำว่าเวรกรรมมีจริง